ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคประัันตสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งสัตอธิษฐานลงไปในใจของตนว่า เวลาปฏิบัติบูชาลีเราจะต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงอย่าให้ความง่วงเหงาเานอนเข้ามาถับถมเมื่อตั้งกายกลงแล้วใจให้กลงต่อสมาธิภาวนา รวมกำลังตั้งใจมั่นลงไปในจิตใจรับตาเรียบร้อยเรื่องภายนอกออกไปทั้งหมดจงเป็นผู้ปล่อยวางอย่าเอามาคิดมานึกอติตาลมอันเป็นอารมณ์อดีตจะดีใจเสียใจผิดถูกชั่วดีอย่างไรสิ่งใดมันล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วหมดไปแล้วไม่ควรเอามาคิดมาติดอยู่ในจิตในใจละทิ้งให้หมดส่วนว่าอาณอารมณ์อันเป็นอนณาคตการดีลายประการใดทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งนั้นก็ยังอยู่ขัางนะคือยังไม่มาถึง เวลาปัจจุบันคือเป็นเวลาเรานั่งภาวนาฟังธรรมสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจอยู่นี่แหละเป็นธรรมะปัจจุบันให้ระลึกภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกพุทธโธพระพุทธเจ้านั่นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ในโลกนี้ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกแต่ไม่ใช่ใหญ่ด้วยกิเลสลาคะโทสะโมหะเหมือนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายพระองค์เป็นใหญ่คือว่าใหญ่โดยการไม่ลหลงไหลไปกับกิเลสอย่างสามัญชนคนทั่วโลก พระองค์ใหญ่อยู่เหนือกิเลสลาคะตัณหาไม่เอากิเลสตัณหากิเลสลาคะตัณหามาเก็บไว้ในใจพระองค์ละทิ้งปล่อยวางหมดเรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้เห็นของพระองค์นั้นสะอาดเต็มที่กิเลสลาคะไม่มีในจิตกิเลสโทสะไม่มีในจิตกิเลสโมโหหะ ไม่มีในจิตใจของพระองค์เจตใจของพระองค์ถ้าจะว่าว่างก็คือว่าว่างหมดโลกอารมณ์ในโลกนี้ลูกเสียงกลิ่นรสโภพภะธรรมาลมอดีตอนาคตอะไรอะไรทุกอย่างไม่เข้ามาอยู่ในจิตของพระองค์จิตใจของพระองค์เรียกว่าแจ้งโลกแจ้งธรรม ไม่ใช่มืดมนอนทะการเหมือนปุถุชนคนเราในโลกพระพุทธเจ้าท่านแจ้งแล้วท่านไม่เอามืดมาเข้ามาใส่ใจใจท่านแจ้งคำว่าพระพุทธเจ้าแจ้งไม่ใช่ว่าแจ้งเอาทีเดียวพระองค์แจ้งด้วยการภาวนาสงบจิตใจแล้วแจ้งละกิเลสความโกรธหมดไปแล้วก็แจ้ง ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจของพระองค์หมดสิน้นก็แจ้งอยู่ในจิตในใจของพระองค์ไม่ได้แจ้งไปอวดคนนั้นอวดคนนี้แจ้งใจคือว่าใจของพระองค์นั้นเห็นแล้วว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลง กิเลสความมายึดชาติยึดตระกูลยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนยึดว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเลือกยึดว่าเราเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ขาวนางชีเป็นผู้นุ่งดำมายึดมาถืออยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสราคะอยู่ในใจกิเลสโทสะโมหะมันก็อยู่ในใจอยู่ในใจก็คืออยู่ในตัวนั่นแหละ กายวาจาจิตนี่แหละมันเต็มไปด้วยกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสถ้าผู้ไม่ได้ภาวานาหรือภาวานาจิตใจยังไม่สงบก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นเองตัวกิเลสจริงๆมันไม่เห็นไม่รู้เวลามันกระทบอารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาเอาละเกิดกิเลสขึ้นมา อย่างจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสโทสะนั้นมันไม่ยอมให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนติเตียนนินทาไม่เอากิเลสโทสะตัวนี้มันจะเอาแต่ความยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ใจลอยตัวลอยดีใจ เพระได้รับความสละเสริญเยินยออย่างนั้นเนล่ะคือว่าตัวกิเลสตัวกิเลสมันไม่เห็นแต่ว่าภาวนาให้ดีจะเห็นได้ในใจของตัวเองไม่ใช่คนอื่นบอกแล้วจึงเห็นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งให้ใจิตใจเราเห็นว่าตัวกิเลสความโกรธ มันยึดตั้งแต่หน้ายึดตั้งแต่ตายึดตั้งแต่ตัวแต่ตีนยึดหมดทุกอย่างใครว่าไม่ดีที่ไหนมันเป็นอันว่าโกรธแค้นติเตียนไม่ได้แต่ถ้ายกยอสันละเสริญแลวดีอกดีใจชอบใจอ่านั่นแหละตัวโทสะจริตคนอื่นยกคนอื่นหามถ้าเขาทิ่งคันหามลงมา เขาไม่หาบเขาไม่ยกตัวเราจะเป็นยังไงก็เจ็บตัวหรือว่าตายเหมือนคนอื่นยกขึ้นเขาทิ้งลงมาเราก็เจ็บก็ตายการที่จิตหลงสำคัญผิดคิดว่าได้รับความยกย่องฉั้นละเสรนนั้นมันดีมันดีตามอำนาจกิเลสมันดีเขายก ไม่ใส่ใจดีไม่ใช่ตัวเราประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบใจมันไปเองอาศัยเช่นนั้นเมื่อเขาติเตียนโลกนี้เขาติเตียนว่าไม่ดีคนนั้นไม่ดีพระองค์นั้นไม่ดีเนนองค์นั้นไม่ดีถ้าเขาวนางชีคนนั้นไม่ดีย่าโยมคนนั้นคนนี้ไม่ดีเอาแล้ววันหน้าก็หิว้วคิ้วก็ขมมด อับอันตันใจแทนที่เราจะได้หน้าใหญ่ตาใหญ่เลยได้หน้าน้อยตาน้อยไม่มีใครยกย่อให้เนี่ละตัวกิเลสตัวกิเลสโทสะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเรานี่แหละเมื่อกิเลสโทสะจริตมันอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในจิตนี่ กิเลสโลภะตัณหามันก็อยู่ในนี้ไม่ใช่มันอยู่นอกนี้ออกไปนอกนี้ออกไปมันก็ไปจากที่นี้เวลาภาวนาท่านจึงให้สงบไม่ต้องตามออกไปกิเลสความโกรธก็เลิกละออกไปสิ่งใดเลิกไม่ได้ละไม่ได้กับตัวเองนั่นแหละต้องดุดาว่าไลยป้ายสีให้แก่ตัวเอง อย่าไปมัวตัวเองหามตัวเองตัวเองหามตัวเองก็เหมือนขี่ม้า ก, ก้านกล้วยขี่แล้วก็ตัวเองวิ่งเอาเองไม่มีประโยชน์อะไรในนั้นเราต้องติเตีนตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปคอยยกย่องมันธรรมดากิเลสฆ่ามันพุทธเจ้าฆ่ามันก็รุ่ละมันออกไป ไม่ให้มันมาอยู่ไม่ให้มันมาใช้ไม่ให้มาหลงตัวกิเลสนี้ภาวนาทาใจให้สงบอยู่ก็จะเห็นตัวกิเลสนั่นเองถ้าใจสงบใจตั้งมัน่นใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาก็จะเห็นจิตใจโทสะจริตโมหจริตโลภจริต ใจเห็นกิเลสในใจเห็นใจที่ยังหลงไหลอยู่กับกิเลสนี่เต้นแรงเต้นกาวุ่นวายอยู่ตลอดกาลทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนอืมกิเลสเหล่านี้มันจะย่ำยีหัวใจบุคคลขี้เกียจขี้ข้านภาวนามันจะย่ำยีให้ดิ้นลนวุ่นวายไม่เป็นสุขโยคนเดียวไม่ได้ นั่งคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจของตนไม่ได้จะต้องไปหาคนนั้นคนนี้พูดคุยถ้าได้คุยได้พูดแล้วก็โม่บังอะไรต่อลังดีใจนั่นแหละตัวกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในตัวมันอยู่ในกายมันอยู่ในจิตมันอยู่ลึก กว่าสติปัญญาปุถุชนคนขี้เกียจภาวนามันมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นรู้ไม่ได้มันก็ละไม่ลงเมื่อละไม่ลงมันก็เข้ามาเหยียบย่ากายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นจะสร้างบุญสร้างกุศลอันใดกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงมันก็ขัดขวางไม่ให้ไม่ให้ทำ หรือว่าทำไม่ได้ให้หยุดทำไม่ต้องทำดูเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาเนะ่มันบังคับไวหมดจะนั่งเช่ามันก็เช่าเกินไปนั่งภาวนายังไม่เหมาะถ้าสายหน่อยมันก็มีข้อแก่อีกว่านั่งภาวนาสายหน่อยมันร้อนนั่งภาวนาไม่ได้กลางวันก็ว่านั่งภาวนาไม่ได้ รอให้ถึงกลางคืนก่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนก็มันก็แก้ไปอีกล่ะกลางคืนเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวหาเวลาภาวนาไม่ได้ข้อแก้ตัวเหล่านี้แหละกิเลสในใจมันนดุพุทุชนมันใช้คนเราให้เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราทุกคนมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้ว จะต้องตั้งสัตย์จ่าอธิฐานใจของเราลงไปทุกครั้งทุกคราวพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์นั่งภาวนาพระองค์ตั้งสัตย์อธิฐานลงไปว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆจะนั่งภาวนาจนกิเลสในใจเนี่ยมันหมดสิ้นไป ถ้ากิเลสในใจไม่หมดไม่สิ้นตายเสียดีกว่าไม่ต้องท่อแท้อ่อนแอแม่เลือดเนื้อเชื้อไขร่างกายสังขารจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนั้นตายก็ช่างมันนั่นท่านตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานใจไว้เราทุกคนทุกท่านที่นั่งภาว น, นาก็ต้องตั้งสัตว์อธิษฐานในใจของตัวเอง เมื่อนั่งแล้วภาวนาแล้วมันจะมีข้อแก้ตัวอย่างไรเกิดขึ้นลงแต่งขึ้นมาเป็นอันว่าไม่ยอมไม่ยอมทำตามไม่ยอมพูดไปตามไม่ยอมคิดไปตามขึ้นชื่อว่ากิเลสลาคโธสะโมหะแล้วใครตามมันไปเถิดมันจะพาให้ไปเกิดในนรกหมกไม่ในหัวใจ เพราะว่ากิเลสความโกรธท่านเปรียบ ป, ประมาเหมือนไฟมอญโลกที่ใหญ่ที่สุดมันไหม้โลกไหม้หัวใจของสัตว์โลกอยู่แล้วมันก็มาตามเข้ามาไหม้หัวใจของคนเหล่าผู้ขี้เกียจภาวนาจิตใจไม่สงบหลังอับกิเลสเหล่านี้แ่ะมันลุกไหม้อยู่ในหัวใจ ไม่อยู่ในร่างกายสังขารของบุคคลผู้นั้นแต่ว่าตัวเองไม่รู้สกเพราะว่าไฟมันลุกไหมแล้วลุกไหมเต็มกายลุกไหมเต็มจิตเต็มไปด้วยกายวาจาจิตเมื่อไฟลุกไหมแล้วมันก็ไม่รู้หรอมันร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะทุกครั้งที่นั่งภาวนาท่าใจไม่เย็นไม่สบาย เราจะไม่หยุดเราจะไม่ลุกหนีเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้มันตายแห้งอยู่ในสมาธิภาวนานี่สักชาตินึงไม่ยอมให้มันไปตายอย่างอื่นตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาอันใดก็ให้จิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่ไหวหวันท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆ ภูบายทาต่างๆนั้นอะไรดีหมดมันไม่ใจเราไม่ดีใจเราไม่มั่นคงเจตใจนี่ไม่หนักแน่เป็นคนใจน้อยเป็นคนใจเบาพอกระทบอารมณ์ใดมันปิ้วไปหมดไม่หนักแน่นเหมือนพื้นปะสุธาน่าแผ่นดินพื้นแผ่นดินเขาหนักแน่นผู้ใดทำใจให้เหมือนแผ่นดิน บุคคลผู้นั้นจะนั่งสมาธิภาวนาก็จิตใจสงบระงับเย็นสบายเพราะว่าตั้งใจว้เหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินให้ดีใครจะทำไรไทยนาสร้างบ้านเรือนอะไรใส่แผ่นดินจะถ่ายอุจจาระปัดสาวะลงแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ว่าอาะไรเฉยทั้งนั้น หรือใครจะติว่าดินกองนี้ไม่ดีเพราะข้าพเจ้าทำไรทํานาไม่ค่อยได้ผลด่าให้ดินดินก็เฉยอ่นานแล้วให้ใจเราให้มันเฉยเหมือนแผ่นดินคอนเย็บแผ่นดินอยู่บนแผ่นดินเวลาเราล้มหรือใครล้มก็าตายลุกขึ้นมาก็ด่าแผ่นดิน แผ่นดินกองนี้ทำไมให้ข้าพเจ้าลื่นล้มข้าพเจ้าเจ็บปวดทุกขเวทนาแผ่นดินมันก็เฉยแต่จิตเรามันเป็นผีบ้าผีบอดาแผ่นดินอยู่บนแผ่นดินดาแผ่นดินตัวล้มดาดินนี่ละคือว่าจิตเรามันโง่จิตเราไม่ฉลาด จิตเราไม่สามารถระมัดระวังกายวาจาจิตของตัวเองเมื่อจิตมันโง่เขลาเบาปัญญาลหลงไหลไปด่าแผ่นดินด่าแผ่นดินมันไม่ว่าอะไรถ้าไปด่าเพื่อนมนุษย์เมื่อเพื่อนมนุษย์เขาตอบมาก็เดือดร้อนอีกนี่แหละคือว่าจิตไม่ภาวานาจิตไม่ละกิเลส มักจะไปสอนให้คนอื่นละกิเลสตัวเราไม่เลิกตัวเราไม่ละเจตเรายังหลงอยู่ยังมัวเมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก่อนอื่นที่จะสอนคนอื่นต้องสอนใจของตัวให้ได้ก่อนอื่นที่จะบอกให้คนอื่นละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มีปัญญาทบทวนดูตัวดูใจเราว่า ที่เราบอกสอนคนอื่นนั้นเล่าละได้หรือวางได้หรือยังเมื่อละไม่ได้วางไม่ได้ทอนไม่ได้หยุดไม่ได้จะไปมัวสอนคนอื่นไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่พาเด็กไปวัดไปหาพระก็บอกให้ลูกกราบพระแต่ว่าตัวเองไม่กราบ อ, อันนี้มันก็แบบเดียวกันการภาวนาระกิเลสในใจนี่ก็เหมือนกัน เราต้องตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆตั้งใจเลิกตั้งใจละสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าบาปบาปนั้นไม่ว่าบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางความคิดพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละให้ละทิ้งอย่าไปตามมันไป บาปท่านสอนให้ละเพราะว่าบาปที่คนเราประกอบกระทำด้วยกายวาจาจิตจิตไม่สงบแล้วบาปนั้นมันจะให้ผลให้ผลเมื่อภายหลังมันไม่ใช่ผลในทางดีมันผลในทางเสียผลในทางเดือดร้อนเหตุนั้นบาป พ, พระพุทธเจา้าพระองค์จึงสอนว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิด ตามบาปนั้นเพราะว่าบาปนั้นมันให้ผลมันไม่ใช่สุขมันทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายโดในโลกนี้ทำไมคนเราอยู่ดีๆจึงมีคนอื่นมาตีหัวบ้างยิงให้ตายบ้างฆ่าให้เจ็บให้ตายบ้างนั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าบาปบุคคลผู้นั้นทำไว้ แม้ในชาตินี้ไม่ได้ทำชาติ ก, ก่อนก่อนก็เคยทำมาวันนี้ไม่ได้ทำแต่วันหลังๆได้ทำมาปีนี้ไม่ได้ทำแต่ว่าปีหลังๆได้ทำมามันต่อเนื่องมาบัดนี้แล้วจากบัดนี้มันก็ต่อไปข้างหน้าอีกบาปอกุศลสิ่งที่ไม่ดีให้คิดให้เห็นแล้วกดละตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป ให้ทำบุญบุญกุศล น, นั้นเป็นของเย็นเป็นของสบายบาบเหมือนกับไฟไม่ว่าสมัยใดยุคใดไฟก็ร้อนบาบก็ร้อนบาปก็เดือดบุญนั้นเหมือนกับน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำแข็งใครบริโภคใช่สอยน้ำที่เย็น ก็สบายกินก็สบายดื่มก็สบายอาบน้ําชําระกายก็สบายทั้งนั้นเดี๋วบุญนั้นเหมือนกับ น, น้ํามีน้ําที่ไหนที่นั้นก็สบายไม่มีน้ําก็เดือดร้อนดูทุกวันนี้ฝนไม่ตกก็เดือดร้อนถึงใจมนุษย์อมนุษย์นี่นอกจากน้ํากินน้ําใช้น้ําแล้วก็ยังมีน้ำ ทำไล่ทำนาอะไรทุกอย่างนั่นแหละมันก็เดือดร้อนอยู่ไม่มีน้ําก็เดือดร้อนคนไม่มีบุญคนไม่ทําบุญอยูที่ไหนไปที่ไหนก็เดือดร้อนเพราะว่าบุญในใจมันไม่มีบุญในกายก็ไม่มีบุญทางวาจาก็ไม่มีเวลาจะพูดจาปาใสอะไรก็ขวานผา่าซากนั่นแหละคือว่าใจมันบาป ใจบาปใจอกุศลนี้ต้องมาละมาถอนมาปล่อยมาวางในสมาธิภาวนานี่แหละไม่ต้องทำตามอีกไม่ต้องคิดไปตามอีกไม่ต้องพูดไปตามกิเลสอย่างนั้นอีกให้สงบใจสงบตัวสงบกายสงบวาจาสงบจิตมันคิดในจิตก็ละทิ้งในจิตนะมันก็ไม่ถึงวาจา มันจะพูดมันจะดุด่าว่าลล่ป้ายสีให้คนอื่นละทิ้งเสียมันก็หยดอยู่แค่นั้นถ้ามันคิดในใจไม่ละทิ้งในใจอีกไม่นานมันก็พูดออกมาทางวาจาเดี๋ยวมันก็ทำทางกายผลมันก็สะท้อนย้อนมาให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนอีกนี่แหละคือว่าสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ตัง้ง สองพันปีกว่าแล้วมนุษย์คนเราก็ยังไม่เอาเข้ามาในจิตในใจยังปล่อยปละละเลยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ให้รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตในใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้มันคงหนักแน่นอย่าได้วันไหวต่อโลกกระทำคำว่าโลกกระทธรรมของโลกที่มันกระทบกระเทือนใจคนเราอยู่นั่นได้แก่อะไร ความสรรเสริญนินทาชอบใจความติเตียนนินทาไม่ชอบใจเป็นคู่หนึ่งมีกายมีใจก็มีความสุขไม่เจ็บไข้ได้ป Ł ่วยไม่กระทบกระเทือนอะไรทางจิตใจก็ชอบนะเวลามันทุกกายเวลามันทุกใจเมื่อมันทุกทุกอย่างทุกแรงกราปรปัะดังเข้ามาที่นี่ก็ไม่ชอบ ชอบสุขแต่ไม่ชอบทุกข์ทางทั้งที่ในโลกมันมีเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้เพ่งภาวนาดูจิตใจของตัวเองอย่าไปมัวฟุ้งซ่านจากกายออกไปจองให้เห็นว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของเลิกได้ละได้พระพุทธเจ้าพระอราหันตาเจ้าทั้งหลายท่านละทิ้งแล้วเป็นเขละนำลายท่านถมทิ้ง เป็นเสเลตท่านคายถิ้งแล้วแต่เรายังเก็บเอามากินอีกมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละจองเพียรพยายามนั่งภาวนาปฏิบัติบูชากายกับใจเราอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละเป็นที่ภาวนาพุทโธในใจไม่ต้องไปหาสถานที่อื่นกายวาจาจิตอยู่ที่ไหนก็ภาวนาลงไปที่นั่น มีดวงจิตคลองอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ทุกคนถ้ายังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วไม่รู้เรื่องทั้งนั้นมรณกรรมฐานนั้นเข้ามาถึงบุคคลผู้ใดไม่มีอาวุธยุทธภัณฑ์ใดๆในโลกมนุษย์ จะมาต่อสู้กับพยามัจุลาคือความตายไม่ได้ไม่มีเลยยอมแพ้ทั้งนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้เวลานี้เป็นเวลาเราศึกษาเราฟังเราจดจำไว้แล้วเราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติคือละบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญในบุญในกุศลอย่าเป็นคนมักง่าย พ่อถอยทำอะไรให้ทำเป็นเป็นหลักเป็นฐานทำอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ประมาทนั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนายืนก็ภาวนาได้ดีมีสุขก็ภาวนาทุกร้อนอนาถาอย่างไรก็ภาวนาพุทธอในใจทำโมสังโฆในใจเตือนใจให้สงบตั้งมัน่น รวมใจให้มาอยู่ภายในไม่ต้องไปรับเอาเรื่องราวต่างๆในโลกโลกนี้มันร้อนเป็นไฟเท่ากันก็ว่าโลกเหล่านี้เป็นไฟไม่โลกอยู่ตลอดกาลเปลวไฟมันลุกจนถึงเทวโลกพมลมโลกมันลุกขึ้นจากมนุษย์และสัตว์สิ่งเดลสานนี่แหละเพราะว่าไฟราคะโทสะโมหะ กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความห ล, ลงนี่มันเป็นไฟหมกไหมหัวใจคนเราให้เล่าร้อนอยู่ตลอดกาลถ้าจิตใจไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วเป็นอันว่าไฟไหมตัวไฟไหมหัวใจอยู่เต้นแรงเต้นกาอยู่อย่างนั่นเองเพราะจิตไม่รู้จิตไม่โยจิตไม่เห็นจิตมันเมาไป ตามอารมณ์กิเลสเลยมันถือกิเลสความโปรดเป็นของดีถือกิเลสความโลภราคะตัณหาเป็นของวิเศษมันมองไม่เห็นวันร่างกายสังขารของเหล่านี้ก้อนนี้ตัวนี้มันเป็นก้อนกิเลสราคะโทสะโมหะมนุษเขาถ่ายเทไว้เมื่อเกิดมาแล้วมันก็มาหลงอีก เราไปนอนในท้องแม่ถ้าตายอกีกใจยังละกิเลสลาคะตัณหาในจิตไม่หมดไปก็จะไปนอนในท้องแม่ต่อไปอกีกที่ไหนมันก็เป็นแม่ได้ที่ไหนก็เป็นพ่อได้เพราะกิเลสนี่แหละกิเลสของเราไม่ใช่กิเลสคนอื่นเรายังหลงยังเมายังไม่ตั้งอกตั้งใจกิเลสเหล่านี้มันก็ทับถม เิตามีตาก็เป็นคนตาบอดไม่เห็นรูปที่เรายินดียินไายแน่นว่ามันดีอย่างไรยินลายมัน้ลยอย่างไรรูปมัน้ายมันดีหรือหรือว่ากิเลสในใจของเราไม่รู้เมื่อกิเลสในใจเราไม่รู้มันก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อน การภาวานานี้ท่านจึงไม่ต้องเลือกการไม่เลือกเวลาเอาให้มันแข็งแกร่งแข็งแกร่งเหมือนก้อนหินเหมือนภูเขาดูภูเขาเวลาลมจะพัดแรงขนาดไหนภูเขาหินก็ตั้งอยู่ได้เรียว่าชีลาชีลาแปลว่าหินเมื่อจิตใจคนเราบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวาน า, นา ปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาไม่ย่อท้อต่อการภาวนาแล้วจิตใจของบุคคลผู้นั้นเลียกว่าเป็นศีลเป็นหินแข็งแกร่งไม่มีอารมณ์ใดจะมากระทบกระเทือนให้เดือดร้อนวุ่นวายได้การภาวนาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันยอดเยี่ยมในทางพุทธศาสนา ไม่มีสิ่งใดจะดีเยี่ยมเท่าการรักษาศีลภาวนานั่งก็ น, นึกภาวนาพุโทโธในใจให้ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเราให้ได้เวลานั่งถ้าความตายมาถึงเราก็ตายในที่นั่งนั้นเวลานอนโยถ้าความตายมาถึงเข้ามันก็ตายในที่นอนนั่นแหละเราจะมา การตายมันง่ายที่สุดเราอยาเข้าใจว่ามันยาบางคนพูดจาปาสัยกับเพื่อนมนุษย์อยู่หัวเลาะเอฮาอยู่แต่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเกิดลมเกิดอะไรขึ้นมาดิ้นชักตายลงไปก็มีมันง่ายที่สุดให้นั่นเราจะมันนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ จะมาเฉยอยู่ไม่ภววนาละกิเลสในจิตในใจในตัวเราแล้วไม่ไหวทีเดียวใครจะมาช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองถ้าเราช่วยตัวเราเองแล้วกายวาจาจิตของเราก็เป็นของเบาถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้กายวาจาจิตนี่ก็หนักเป็นทุกข์ทีเดียวนี่แหละท่านจึงให้ ศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนาจนให้เกิดความเฉลียวฉลาดความสามารถอาตถานในใจของตัวเองจนถึงขั้นละกิเลส ด, ด้วยสติปัญญาของตัวเองได้ละกิเลสความโกรธได้กิเลสความโกรธ ถ, ถ้าเลิกไม่ได้ละไม่ได้เรานั่งภาวนาเดินจมกลมเอาจนกิเลสในจิตในใจมันหมดไปเสียก่อน อย่างนั้นจึงจะสู้ได้ถ้าหากว่านั่งนิดๆ น, น, น้อยๆก็มักจะบ่นว่าทําไมน่นอใจขับเจ้าจึงไม่สงบจะมีวิธีใดให้ใจสงบก็วิธีใดวิธีใดก็ได้ท้งนั้นคือว่าทํา ใ, า, าให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในไม่ให้มัน ความง่วงเหงาที่เศ้าเหงานอนเข้ามาทับถมบางคนก็ว่าความง่วงเหงาเหงานอนเข้าไปเจ้าจะเลิกได้อย่างไรเดินจมกลมตีอย่าไปนั่งมันนั่งมันก็หลับนั่นแหละมันนานเข้ามันเหนื่อยมันก็หลับถ้าเดินจอมกลมแล้วไม่มีหลับเดินกลับไปกลับมาร่างกายก็ปลอดโปรง่งจิตใจก็ไม่มีง่วงเหงาเหาหนอน เดินจมกรมไม่เหงาหนอนถ้าเกิดเหงานอนตามต้นไม้ตกถนนมันก็ว่วงไม่ได้จะต้องหาอุบายแก้ไขใจของตัวเองให้ได้มันมีวิธีการได้ทุกอย่างทุกประการที่จะตามเข้าไปแก้ไขกิเลสในหัวใจได้ทางนั้น ถ้าเราตั้งใจให้มัน่นคงดูเหตุการณ์ปัจจุบันในตัวในใจของเราได้มันก็แก้ไขได้ในตัวในใจนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นจะมาแก้ให้ไม่ได้เจตใจของเรานั่นแหละแก่จิตใจของเราเองไม่มีใครจะมาแก้แทนได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณ เวลาเขาจะตีมีดผ้าจอบเฉียมขวานอะไรเครื่องใช้ทางานในโลกเขาก็เอาเหล็กที่จะตีเป็นมีดผ้าจอบเสียบนั่นมาขวานนั่นมาแล้วที่เขาตีเหล็กนั้นเนี่ยข้อทังมันก็เป็นเหล็กค้อนตีก็เป็นเหล็กคีมจับก็เป็นเหล็กเอาเหล็กที่จะตีเป็นมีดผ้าจอบเฉียบนั้นเข้าไฟเผาไฟให้แดงโล่ เอาออกมาตีมานั่นไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดนายช่างตีเหล็กเอาเหล็กตีเหล็กก็กลายเป็นมีดถ้าจอบเฉียมขวานเครื่องใช้ไม่สอยเป็นดาบได้เขาเอาเหล็กตีเหล็กเอาเหล็กสอนเหล็กเอาเหล็กปะทะเหล็กเหล็กก็เคยกลายเป็นเครื่องใช้ไม่สอยได้เรามีหัวใจ เรามีกายวาจาจิตมีจิตใจคองอยู่ในร่างกายก็เอาใจนี่แหละเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเอาความรู้ความฉลาดในจิตในใจนี่แหละสอนจิตสอนใจของเราอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจะไม่เฉลียวฉลาดไม่ได้เพราะว่าสอนอยู่ทุกเวลา เหมือนช่างตีเหล็กเอาเหล็กตีเหล็กมันก็กลายเป็นม็ดล่าจอบเสียมไปได้โ้ไดมาสเอาใจสอนใจของตัวเองเตือนใจของตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดไม่ดีก็แก้ไขให้ดีขึ้นส่วนใดดีแล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเ ว, ว่าแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมหมกมุ่นอยู่ในกิเล ส, สกามวัตถกรรมเลิกละให้มันห่างไกลกระพุติเจ้าสอนว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภราคะตัณหาอย่าไปใกล้มันอย่าไปพูดมันสงบจิตสงบใจเลิกละปัดเตาอยู่ในใจให้มันแจ้งใสสว่างภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดกาล จิตใจของเราก็จะเย็นสบายความติเตียนนินทาในโลกก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> เพราะเราตั้งจิตเจตนานับตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทมาตั้งอกตั้งใจทำความเพียรมุ่งหน้าไปสู่ความสงบกายสงบจิตอยู่ในจิตในใจของเราทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกไม่หลงลืมซึ่งความตายเมื่อความตายมาถึงบัดนี้จิตเราก็มาให้มันสบายให้ดีให้ผ่องใสสะอาดตายกลางวันก็ให้ใจสะอาดตายกลางคืนก็ให้ใจสะอาดตายเวลาเด็กเวลาหนุ่มก็ให้ใจสะอาดใจสบาย ตายเมื่อแก่เมื่อชราก็ให้ใจสบายเมื่อใจสบายอย่างเดียวตายแบบไหนก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าใจเศร้าหมองขุ่นมัววุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวใจไม่เย็นไม่สบายตายแบบไหนตายเด็กตายหนุ่มตายแก่ก็ไม่ดีทั้งนั้น ถ้าใจละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจของตนของตนหมดสิ้นไปตายแบบไหนก็สบายไม่ว่าเพศหญิงเพศชายครืหัดนักบวชนักบ้านดีทั้งนะั้นเพราะว่าจิตใจมันดีจิตใจสบายฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆ ที่กล่าวที่เตือนเราท่านทั้งหลายนี้ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาะจนียายาทาวลิวาหาปูลาปลิปุริติสาขลลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ อิจิตังปฏติตังตุมหังจิตะเมวัจมิตสตุสพเพีปุเรนตุสังกปายันโทปันนาลาโสยะ า, ามนิโชติระโสยะ า, าสพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยตุขิติคายุโกภวะ อาพิวาธนาสีริสนิตยังวุทธาปจจายิโนจตารูธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังพลังอายุวัฏทโกธนวัฏทโกสิริวัฏทโกยัสวัฏทโกภลวัฏทโกวันณวัฏทโกสุขวัฏทโกโหตุส พ, พัฏฐา ทุกขโลขปยาเวลาโซกาสัตุจปตะวาอนเนกาอันตรายาปิวินัตสตุจติสาเาจียสิทธิทนังลาพังโสติภักกายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจารโหขังบุตรีจะยสวะสตวสัสดจะอายุจะชีวาจิตถิพวันตุเต ภาวตุูัพพมังคลังหลักขันตุูัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโตถีพวันตุเตภาวะตสัพพมังคลังหลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโตทีพวันตุเตภาวะตสัพพมังคลังหลักขันตุสัพเทวตาสัพตังคานุภาเวนะ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 เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องลืนเมื่อหลับตาแล้วก็ไม่ต้องเลินอีก หลับเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปอันบทภาวนานั้นก็ให้เอาบทคำว่าพุโทโธพุธโทโธนั้นก็เป็นคุณประพุตธธิเจา้าพุโทโธพุทธะนี้หมายเอาประพุตธธิเจา้าผู้ละกิเลสลาคโทสะโมหะได้ก่อนมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แล้วก็ละอิเลสราคะโทสะโมหะหมดแล้วก็ละวาสนาคำว่าวาสนานั้นสาวกทั้งหลายละไม่ได้ละได้ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้แล้วหรือจะมาข้างหน้าก็ตามเมื่อละกิเลสตัดสู้แล้วก็ละวาสนา ธรรมวาสนานั้นคิดิยากายก็เปลี่ยนไปอย่างว่าจ้างหัวเลาะเหมือนพระสงฆ์สาวกก็ไม่ไม่มีถ้ามีเหตุการณ์ใดบังเกิดมีขึ้นก็เรียกว่ายิ้มพระโอษฐ้ามองไปที่แหว่ ที่ปากท่านก็จะแสดงความยิ้มออกมาแต่ไม่มีเสียงเรียกว่ายิ้มประโอธ์อันนี้ก็เรียกว่าละวาสนาได้คือตามธรรมดามนุษย์คนเหล่านั้นหัวเราะได้แต่นี่ท่านไม่มีมีแต่ยิ้มพระโอษ์แล้วก็มีผู้ทูลถามหรือพระอานอนทูลถามท่านก็ตรัสออกมาเป็น พระธรรมเทศนาไปเลยยางว่าวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปโปรดสั์ไปบินธบาตเมประสง์ไปด้วยหลายองค์เน่ไปในบ้านมียายคนหนึ่งกำลังอุ้มหลานของตนอยู่หลานนั่นเป็นผู้หญิง เมื่อพระองค์เห็นยายอุ้มหลานนั้นแล้วก็ยิ้มพระโอดพระอานนท์ก็โทนถามพระองค์ก็ตรัสว่ายายนี่เมื่อหลานที่แกอุ้มโยนี่แหละเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มแล้วแต่งงานยายนี่แหละก็ตายไป ก็คอยมาเกิดอยู่กับหลานคนนี้เป็นคนแรกเลยแหละเรแยกว่ายิ้มพระโอธแล้วพระองค์มีเรื่องที่จะต้องตัด บ, บอกได้พระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้วิเศษครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายในตั้งแต่สมัยนูน้นมาจนถึงสมัยนี้ก็ตาม ท่านก็ยังให้เอาคําว่าพุทธโธคุณพระพุติเจ้ามาภาวนาส่วนพระพุติเจ้าของเรานั้นบทภาวนาของพระองค์เองสมถะภาวนาสมาธิภาวนานั้นพระองค์กําหนดลมหายใจพุทธโธไม่ได้นึกเพราะว่าพุทธโธก็คือพระองค์เอง ยังไม่ได้ตรัสเป็นพุทธโธยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลือกเองว่าอุบายใดหนอมาภาวนาไตาลมไม่พอเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วพระองค์เองก็นึกได้ว่าอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือพระองค์เองก็มีลมหายใจเข้าออก คนทั้งหลายทั้งโลกก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายแทนพุโทโธทีนี้เมื่อมาภายหลังสาวกทั้งหลายนึกพุโทโธท่านก็ให้เอากำกับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอุบายภาวนา เวลานึกถึงลมหายใจเข้าออกหรือนึกพุดโถกก็ให้จิตใจรวมลงไปเป็นหนึ่งไม่ให้จิตใจแสสายไปตามอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจไม่ใจคิดไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะธรรมลมพระองค์ให้ทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมจิตลมใจลงไปให้เป็นหนึ่งเรียก ว, ว่าสมถะ กรรมฐานสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบระ ง, งับรวมลงไปสู่คำว่าพุทโธสู่คำว่าลมหายใจหรือเวลาฟังเทศฟังธรรมอย่างเวลานี้ก็ตามเสียงที่เราฟังนี้ก็เป็นการเตือนสติให้จิตใจเรารู้ว่าที่เราได้ยินเสียงได้ฟังธรรม กองที่ได้ยินนั่นแหละคือว่าหูนี่รับเอาเสียงเข้าไปส่งเข้าไปในใจดวงใจคนเรานั้นเรียกว่าเป็นธาตุนามธรรมไม่เป็นไม่ใช่โูกที่เรามองเห็นนี่โูกที่เรามองเห็นนี่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นนักบ้านเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชี ธารมานีอย่างนี้ก็เรียก ว, ว่าอันนั่นเป็นเป็นเรื่องของลูกส่วนจิตใจนั้นผู้ใดนึกภาวนารวมจิตรวมใจลงไปพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกจนเอาจิตใจของตนสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้อันนี้เรียกว่าววภาวนา ภาวนามีสองแบบสมถะกรรมฐานสมาธิภาวนาคือให้ใจสงบใจหยุดใจอยู่ไม่หลงไหลคิดพุ่งสร้างไปที่อื่นจิตใจมารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในกายในตัวของเราเองได้ ว, ว่าสมาธิหัดสมาธิง่ให้ได้เสียก่อน จึงจะเข้าใจในเรื่องวิปัสนากรรมฐานอีกชั้นหนึ่งถ้าสมาธินี้ยังตั้งมั่นลงไปในใจไม่ได้จะไปกำหนดอย่างอื่นไม่ได้เพราะจิตมันจะไม่อยู่มันจะพุ่งซ่านลำคาญไปในที่ต่างๆจึงมีว่าต้องทำใจนี้ให้สงบตั้งมั่นเสียก่อน พระพุทธเจ้าของเราเองเวลาภาวนานั่งขัดสมาธิใต้ลมไมโพนั้นพระองค์กำหนดอนาปาาลมหายใจพระองค์ตัดอารมณ์ต่างๆหมดสิ้นรวมจิตรวมใจลงไปทุกลมหายใจคือตามรู้วันนี้ลมเข้าเวลาลมออกมาก็นี้เป็นลมออก แต่จิตของพระองค์ไม่เด็กออกไปตามลมไม่เด็กเข้าตามลมคําว่าจิตนั้นมันอยู่ที่เก่าหรือเราฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้สังเกตเข้าไปว่าดวงจิตดวงผู้รู้นั้นอยู่ที่ไหนทําไมจึงรู้ว่าเสียงที่ท่านเทศท่านสอนมันได้ยิน คือดวงจิตผู้รู้นั่นแหละเป็นผู้ได้ยินมันอยู่ที่เก่าไม่ได้ไปที่ไหนที่ไปนั่นไปนี่นี่นเป็นจิตสังขารจิตตรงจิตแต่งเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วแสายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมล่มอันนั้นเรียกว่าสังขารมารกิเลสมารพระพุทธเจ้าท่นานบอกไม่ต้องไปให้โย สงบอยู่ที่ลมหายใจสงบอยู่ที่นึกพุโทโธหรือนึกว่ามรณงเมภาวิสตินึกเตือนใจของเราว่าเราต้องตายมรณ ะ, ะนะมรณงแปลว่าตายเมก็คือเราตัวเรานี้ละทัางกายทั้งจิตย่อมมีเวลาแตกดับตายไปเหมือนคนทางหลายตายไปสัตว์ทางหลายมันตายไปอย่างนั้นแหละ ตัวเรานี่ก็ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดไม่ใช่เราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปชีวิตของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งบางคนก็สิบปีก็ตายไปบางคนก็ยี่สิบปีก็ตายไปบางคนก็สามสิบปีก็ตายไป สีสิบปีห้าสิบปีไปแล้วเรื่องว่าตายได้ทุกเวลาให้นึกถึงความตายนี้เรื่ามมรณะกรรมฐานมารณะกรรมฐานนี่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ว่าสำคัญมากถ้าผู้ใดภาวนาพุโทโธพุทโธนั้นจิตไม่สงบพระองค์ก็ให้เปลี่ยนนึกว่าเราต้องตาย สาบลีว่ามารานังเมภวิสติเราต้องตายนะอย่าประมาทเมื่อเกิดมาเราก็ไม่มีสมบัติพัสสถานอะไรติดตัวมามีหนังหุ้มตัวหุ้มกระดูกมาเท่านั้นเองได้กายกับจิตลูกกับนามนี่มาเวลาตายไปลูกนี้เอาไปไม่ได้ตายที่ไหนก็อยู่ที่นั้น เกิดในโลกมนุษย์เป็นคนอยู่นี้ตายแล้วลก็รูปนี้ก็เปื่อยเน่าพุพังอยู่ในโลกนี้เอาไปเอ่ยไม่ได้แต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั่นแหละถ้าเราภาวนาละกิเลสยังไม่หมดไปสิ้นไปจิตดวงนี้จะต้องเกิดตายต่อไปในอนาคตการจนกว่าอินทร์บราลมีแก่กล้า จึงจะพ้นจากความรุ่มหลงหมัวเมานี้ไปได้อันผู้ใดมาเห็นว่าการมาเกิดเป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตามเป็นเทว ด, ดาอินพรหมเป็นเท่าพญาหมากรัตั์อะไรก็ตามมันเรื่องทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ก็ให้ภาวานาสงบจิตใจนี่แหละลงไป จนแก้ไขตัดบ่วงห่วงอะไรในใจของตนได้เด็ดขาดในเวลาปัจจุบันนั้นเมื่อละกิเลสความโกรธในตัวในใจออกไปได้ละกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสตัณหาในใจหมดไปกิเลสความหลงในจิตในใจหลงไหลไปตามลูกคนรูกสัตว์ลูกวัตถุเข้าของรูกทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตาม เลิกได้ละได้หมดปล่อยวางได้หมดในเวลาปัจจุบันแก้ไขใจของตัวเองไม่ให้หลงมัวเมาติดข้องผัวพันอยู่ในรูปในานามในมนุษย์โลกเทวโลกภมมะโลกยึดใจอันนี้ก็จะพ้นทุกข์ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องไปเกิดไปตายต่อไปในภพหน้าภพในอีก ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอินทรพุทเพราะละกิเลสได้หมดแล้วก็ลูกนามนี้แตกดับเมื่อใดเวลาใดก็ดับขันนี้เข้าสู่นิพพานดวงจิตผูู้ลนี่แหละเข้าสู่นิพพานไม่ต้องมาวุ่นวายเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายคนเราที่เกิดมาแล้วเต็มไปเลยทุก ก็เกิดมาแล้วต้องมีปากก็ต้องกินมีท้องก็ต้องกินมีร่างกายก็ต้องมีความเจ็บไข้ใดป่วยมีตาก็เจ็บตามีหูก็เจ็บหูมีร่างกายขาสองแขนสองสีสัะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่กรอบก็ย่อมมีความเจ็บไข้ใดป่วยในร่างกายสังขารนี่แหละเป็นก้อนทุกกองทุก แต่ว่าความตายของคนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าตายเจ็บไข้ได้ป่วยตายโรคอย่างเดียวยังมีอุปัภวิเหตต่างๆนานาพาให้คนเราตายไปได้ย่างว่าขึ้นรถไปรถ ไ, ไปเรือรถคว่ำรถเกิดอุปัภวิเหตุก็ตายได้ไปเครื่องบินเครื่องบินตกก็ตายได้ไปเรือน้ำเรือในน้ำก็ตายได้ อันนี้ตายของรูปหลังกายส่วนจิตใจนั้นมันไม่ได้ดตายกิเลสราคะโทสะโมหะมันหุ้มหอวัวใจเราทุกอนอยู่เมื่อใดเรายังเลิกยังละภาวนายัางไม่เต็มที่จิตมันก็มาติดโยข้องโยในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ ตายแล้วจิตมันก็ไม่ตายกลับมาเกิดในท้องแม่อีกต่อไปเป็นคนก็เป็นทุกข์ในคนเป็นเทวดาอินพร้มก็เป็นทุกข์ในเทวดาอินพร้มจึงจําเป็นต้องภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราทุกคนให้หมดไปสิ้นไปก่อนวันตายจะมาถึง เมื่อวันตายมาถึงเข้าแล้วใจเราบริสุทธิ์ลดพ้นจากกิเลส ก, ก็จะไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บไข้มาตายมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอีกเจตใจก็จะเข้าถึงสุขสามประการนิพพานเป็นที่แล้วเห็นนั่นการภาวนานี้ให้เราทุกคน ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้ประมาทเราทุกคนมาเห็นแล้วว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่มีสุขแม้แต่น้อยในการที่คนเราเกิดมาสัตว์ทั้งหลายเกิดมานี่มันรอวันตายทุกเวลา พระพุทธองค์ท่านจึงให้นึกถึงมรณะนะคือความตายมรณงเมภวิสติเราต้องตายนะยาได้ประมาทหรือว่ามรณงมรณงความตายใกล้เข้ามาละนะหรือว่าเราต้องตายเราต้องตายนะก็ได้เป็นบทบบายเตือนเตือนจิตเตือนใจเตือนสติสตังของเราให้มีความภาคความเพียรความพยายาม เพื่อจะเอาจิตใจดวงนี้ให้ลดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะให้จงได้จึงจำเป็นต้องมีข้อวัดปฏิบัติในการทำบุญให้ทานแสดงออกว่าไม่ให้จิตใจเราตหนีเหนียวแน่นพัวพันลุ่มหลมใงในกิเลสตัณหาต่าง เรารักษาศีลห้าได้เว้นจากสัตว์รักทรัพย์ต่พิ่ิดในการกล่าวมุสาว่าดื่มกินสุราเมรัยได้เด็ดขาดก็ชื่อว่าเราเป็นคนมีศีลมีศีลห้าบริสุทธิ์ไม่ได้ล่วงเกินศีลห้าข้อถ้าศีลอุโบสถก็แล้วเว้นจากการเสพเมตุนธรรมแล้วก็เว้นจาก บริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปเว้นจากฟ้อนลำขับกลองประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยรียบระเบียดดอกไม้ของหอมเว้นจากนั่งนอนที่นั่งที่นอนที่สูงที่ใหญ่ยัดโดยนุ่นและสำลีหรือเก้าอี้ที่สูงเกินไปเตียงตั้งที่สูงเกินไปทันกาวะผิดศิล อุโบสถศีลแปดอันนี้แล้ ว, ว่าเรารักษาศีนห้ารักษาศินแปเราสามเณรก็รักษาศินสิบประการเว้นจากรับเงินในทองเป็นของตัวศีลพระกะเ็เราว่าสองร้อยี่สิบเจ็ดที่โสดปฏติโม วันที่สี่สิบห้าคำนั้นแสดงว่าให้รู้จักว่าสินที่ตนรักษานั้นลักใหญ่ๆก็เรียกว่าสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดนว่ารักษาสินห้าสินแปดสินสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดตามจิตเจตนาของแต่และบุคคลรักษานั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้มีสิน เมื่อเรามีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิได้มีสมาธิตั้งมันได้ก็ย่อมมีปัญญาเกิดขึ้นได้ในใจนั่นเมื่อใจมีปัญญาก็ย่อมเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในตัวในกายวาจาจิตของเราจนหมดสิ้นไปได้ยิตใจของบุคคลพวกนั้นไม่เลือกว่าย เป็นหญิงเป็นชายก็พ้นจากทุกข์ในโลกในวตาสงสารได้ที่มันมาเกิดมาตายเป็นทุกข์เป็นร้อนคือว่าไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักละกิเลสราคะละกิเลสโทสะไม่ได้ละกิเลสโมหะไม่ได้ใจมันก็ร้อนลอุกเป็นไฟอยู่ในหัวใจเมื่อเรารักษาศีลแล้วภาวานาแล้วไหว้พระสวดมนต์แล้ว ต้องปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในใจของเราออกไปให้หมดสิ้นหรืออยู่แต่จิตใจดวงที่รู้อยู่